เหมะกะมานาวกะปัญหานิเทศมาขึ้นเรื่องของพระเหมะกะรูปที่8ปแล้วนะท่านพระเหมะกะทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าในการอื่นก่อนแต่ศาสนาของพระโคดมพวกอาจารย์เหล่านี้พยากรณ์ว่าเรื่องนี้มีแล้วดังนี้เรื่องนี้จักมีดังนี้ก็คือแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็สอนกันหมดนะ สอนพยากรณ์กันทุกอย่างคําทั้งหมดนั้นเป็นคํากล่าวสืบสืบกันมาคําทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องอยังความตรึกให้เจริญข้าพระองค์ไม่ยินดีในคํานั้นคือคําสอนทุกๆลัทธิที่ร่ําเรียนมาเนี่ยนะนอกจากทําให้อกุศลวิตกมันเจริญขึ้นเท่านั้นเองก็น่าคิดนะอย่างชีวิตของเราที่ไปร่ําเรียนมาไม่รู้สารพัดเรื่องมาเนี่ยนะมีแต่ เรื่องที่ยังอากุศลวิตกให้มันเกิดทั้งนั้นเลยไม่ได้ทำให้กุศลวิตกเกิดเลยนะก็เป็นลักษณะนี้อันนี้เป็นคำปรารถของท่านเหมะกะซึ่งอธิบายว่าภาวรีพรามและพรามอื่นซึ่งเป็นอาจารย์ของภาวรีพรามพยากรณ์แล้วคือบอกแล้วซึ่งทิฐิของตนตามความควรของตนตามความชอบใจของตนลัทธิของตนอัธยาศัยของตนความประสงค์ของตนคือ พวกพราหมณ์ทั้งหลายที่สอนลัทธิเหล่ <alles S 1> านั้นน่ะนะพราหมณ์เหล่านั้นก็ในการอื่นแต่ศาสนาของพระโคดมคือคือย่าลืมว่าเรื่องนี้มันมีในพรรษาที่1นึ่นี่นะคือหลังออกพรรษาที่หนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในการอื่นแต่ศาสนาของพระโคดมความว่าในการอื่นคือจากศาสนาของพระโคดมคือก่อนศาสนาพระโคดมนะการอื่นแต่ศาสนาของพระโคดมก่อนกว่าศาสนาของพระโคดมกว่าศาสนาของพระโคดม กว่าศาสนาของพระชินเจ้ากว่าศาสนาของพระ ถ, ถาคตกว่าศาสนาของพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเรียกว่าในการอื่นจากศาสนาของพระโคดมคำเหล่านั้นนะนะพราหมเหล่านั้นอาจารย์เหล่านั้นก็กล่าวว่าเรื่องนี้มีแล้วดังนี้เรื่องนี้จักมีดังนี้คำว่าเรื่องนี้มีแล้วอย่างนี้ได้ยินว่าเรื่องนี้จักมีอย่างนี้ก็พยากณ์กันนะนะยกตัวอย่างเช่นมิชามหมอดูอะสมมติ เออเรื่องนี้มันเคยมีอย่างนี้นะแล้วต่อไปจากมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้านถามว่าทํากุศลแะวิตตกให้เกิดไหมโดยมากไม่ใช่อกุศลอันนี้ลักษณะเดียวกันนะทุกๆสายทุกศาสตร์ทุกๆเกือบทุกแขนงเลยนะที่ไม่ใช่คําสอนของพระสัมมาสามัมพุทธเจา้าคําพูดเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยยังอากุศลวิตกให้เจริญเพราะฉะนั้นคำํำเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นคํากล่าว ส, สืบสืบกันมาความว่าคําทั้งปวงนั้นอ่ะ เป็นคากล่าวสืบสืบกันมาคืออาจารย์เหล่านั้นกล่าวธรรมะนั้นอันไม่ประจักษ์แก่ตนที่ตนไม่ได้รู้เฉพาะเองโดยบอกตามที่ได้ยินได้ฟังกันมาบอกตามลำดับสืบสืบกันมาโดยอ้างตำราโดยเหตุที่นึกเดาเอาเองโดยเหตุที่คาดคะเนเอาเองด้วยความตรึกตามอาการด้วยความชอบใจว่าต้องกับลทัทธิของตนเพราะฉะนั้นคาทั้งหมดนั้นนะเป็นคาสืบสืบกันมา คำทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องยังความตรึกให้เจริญความว่าคำทั้งปวงนั้น่ะเป็นเครื่องยังความตรึกให้เจริญคือเป็นเครื่องยังวิตกให้เจริญเป็นเครื่องยังความดำริให้เจริญเป็นเครื่องยังกามวิตกให้เจริญเป็นเครื่องยังพยาบาทให้พยาบาทวิตกให้เจริญยังวิหิงสาวิตกให้เจริญเรื่องความตรึกถึงญาติให้เจริญความตรึกถึงชนบทความตรึกถึงเทวดาหรือตรึกถึงความไม่ตายเนี่ยนะ หรือตรึกถึงความที่เอนดูผู้อื่นหมายถึงไปคลุกคลีเขาทุกข์กัทุกข์เข้าทุกข์กัทุกข์เขกก้าเ ข, าเขากก้าสุข ก, กับสุขกับเข้าเนี่ยนะหรื อ, อยังวิตกที่ปฏิสังยุตต์ด้วยลาบสการะและความสรรเสริญให้เจริญคือคี้แต่จะเอาลาบส ก, การะเป็นตน้นนั้นเป็นเครื่องอยังวิตกอันปฏิสังยุตต์ด้วยความปรารถนาไม่ให้ใครดูหมิ่นให้เจริญคือไม่ต้องการให้ใครดูถูกดูหมิ่นเราเนี่ยนะขี้อยู่เท่านั้นไม่ต้องการให้คนดูถูก เพราะฉะนั้นข้าพระองค์ไม่ยินดียิ่งในคําเหล่านั้นคือคําทั้งหมดที่ที่ฟังมาเนี่ยนะบอกว่าข้าพระองค์ไม่รู้ไม่เข้าถึงไม่ได้เฉพาะสรุปว่าในการอื่นก่อนจากาศาสนาพระโคโดมคือาศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกอาจารย์เหล่านี้พยากรณ์ว่าเรื่องนี้มีแล้วดังนี้เรื่องนี้จักมีดังนี้คําทั้งหมดนั้นเป็นคํากล่าวสืบสืบกันมา คำทั้งหมดนั้นเป็นเครื่องยังความตรึกให้เจริญข้าพระองค์ไม่ยินดีในคำเหล่านั้นก็มีคำของใครบ้างยังกุศลวิตกให้เจริญนะนะถ้าถ้ากล่าวไปนอกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำของบุคคลทั่วๆไปเนี่ยยังอกุศลวิตกให้เจริญทั้งนั้นเลยข้าแต่พระมุนีขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะเป็นเครื่องกาจัดตัณหา ที่บุคคลรู้แล้วเป็นผู้มีสติเที่ยวไปพึงข้ามตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกแก่ข่าพระองค์เถิดเนี่ยนะมันขอให้พระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะเนี่ยนะคำว่าธรรมะเนี่ยนะก็คือขอพระองค์ทรงประกาศพรหมจรรย์อันงามในเบื้องต้นงามในท่ากลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอาธธาัถฐพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธ์บริบูรณ์สิ้นเชิงกั น, น ธรรมะที่กล่าวอะไรบางก็สติประธาน4ี่สัมมาประธาน4อิทธิบาท4อิน 4, าารีย์5พละหโพชง7อริยมรตมีองค์8นิพพานและข้อปฏิบัติอันให้ถึงนิพพานเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าขอพระองค์เนี่ยโปรดตรัสบอกธรรมะและก็คือบอกนิพพานบอกข้อปฏิบัติให้บรรลุนิพพานนั่นเองพันที่บุคคลรู้ธรรมะอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นเครื่องกำจัดตัณหาเนี่ยนะ ตันหะก็คือรูปปัตนหาสาธตันหาคันทัตันหารัศตันหาโพธภาตันหาธรรมตันหาในเรียกว่าตันหาธรรมะที่เป็นเครื่องกำจัดตันหาเครื่องกำจัดตันหาก็คือเครื่องปราบตันหาเป็นเครื่องละตันหาเป็นเครื่องสงบตันหาเป็นเครื่องสละคืนตันหาเป็นเครื่องระงับตันหาเป็นอมตะนิพานอันพระนิพานที่เป็นอสังขตาธรรมอสังขตาธาตุนี่แหละเป็นเครื่องกำจัดเป็นเครื่องละ เป็นเครื่องปราบละสงบสละคืนระงับดับตันหาได้เด็ดขาดที่บุคคลรู้แล้วนะรู้ธรรมะดังที่กล่าวไปเนี่ยเป็นผู้มีสติเที่ยวไปความว่าบุคคลทำธรรมะใดให้ทราบแล้วคือเทียบเคียงแล้วพิจารณาให้เจริญทําให้แจ่มทําให้แจ้งแล้วทําให้ทราบแล้วทําให้แจ่มแจ้งแล้วว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยนะนะปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมอริยสัจสี่เนี่ยนะนะอาสะวะอาสะวะสมุทัยอาสะวะนิโรธอาสะวะนิโรทคามินีปฏิปทาอภินยยธรรมปริญญ ย, ยธรรมปะหาถะธรรม สัจจิกาตาปธรรมภาเวตาปธรรมตนถึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปูนล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาเนี่แหละรเรียกว่าบุคคลรู้แล้วคำว่าเป็นผู้มีสติเที่ยวไปก็คือมีสติคือเป็นผู้มีสติด้วยอาการสี่อย่างคือเป็นผู้มีสติเจริญสติปฐานเครื่องพิจรารณาเห็นกายในกาย เป็นผู้มีสติเจริญสติปัฏฐานเครื่องพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นผู้มีสติเจริญสติปัฏฐานเครื่องพิจารณาเห็นจิตในจิตเป็นผู้มีสติเจริญสติปัฏฐานเครื่องพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นต้นนะนะดังที่กล่าวไปนี่เรียกว่าเป็นผู้มีสติ ผู้ที่รู้อริยสัจแล้วมีสติในสติปฐาน4เป็นต้นเนี่ยเที่ยวไปก็คือเที่ยวไปเที่ยวไปทั่วพลัดเปลี่ยนอริยาบทเป็นไปรักษาเยียวยาให้เยียวยาเพราะฉะนั้นที่บุคคลรู้คือรู้อริยสัจมีสติปฐาน4เป็นต้นเนี่ยนะเที่ยวไปในอริยาบทสตันหาเรียกว่าวิสัตติกาเนี่ยนะคำว่าพึงข้ามตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลก เรียกว่าที่บุคคลรู้อริยสัจมีสติเที่ยวไปอย่างไรนะจึงจะข้ามตัณหาได้ก็คือเป็นผู้มีสติข้ามข้ามขึ้นข้ามพ้นก้าวล่วงซึ่งตัณหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพึงข้ามตัณหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกสรุปคําถามว่าข้าแต่พระมุนีขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมะธรรมะก็คือบอกนิพพานบอกข้อปฏิบัติให้บรรลุนิพพาน นพระนิพานที่เป็นเครื่องกำจัดตันหาที่บุคคลรู้แล้วอ่ะคือรู้อริยศัสตร์อย่างนี้ก็เป็นผู้มีสติเที่ยวไปในอิริยาบทสีพึงข้ามตันหาอันซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในโลกแก่ข้าพระองค์เถิดเนี่ยนะอนน้น่าคิดนะว่าไปยังไงนะที่ไม่มีตันหาเกาะเกี่ยวกับทุกอารมณ์นะนะำนวณว่าคุณบุญโชูเนี่ยขับรถผ่านเชียงใหม่เนี่ยนะไม่ติดข้องแม้แตนะ่ในอารมณ์เดียวเลยนนะ เออทำได้ไงอ่ะในปียรูปสารูปนะในในของสวยๆงามๆแบะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสต่อว่าดูก่อนเหมะกะบทนิพพานเนี่ยเป็นที่บรรเทาฉันทราคะในปียรูปทั้งหลายนิพพานนี่แหละเป็นที่บรรเทาได้ที่ได้เห็นที่ได้ยินและได้ทราบเป็นที่ไม่เคลื่อน นิพพานเนี่ยนะคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธาภะธรรมรมณทั่วไปเนี่มันเป็นสังกัตธรรมใช่ไหมเป็นปิยรูปสาตรูปเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาแต่พระนิพพานเนี่ยบรรเทาฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยและพระนิพพานเนี่ยไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งคือ ด, ดูคนค้นยังไงในสิ่งที่น่าปรารถนาโดยที่เรียกว่าต้องไปเจอสิ่งที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเข้าอนะเป็นอสังกัตธาตุเนี่ยนะ ก็ในสิ่งที่เห็นเห็นเห็นด้วยจักษุได้ยินด้วยหูทราบด้วยจมกูกด้วยลิ้นด้วยกายรู้ด้วยใจคําว่าปีรูปสาตรูปทั้งหลายปียรูปสาตรูปรูปตัวนี้นี่แปลว่าสภาวะนะปีรูปก็คือสภาวะที่น่ารักนะต้องสภาวะที่น่ารักถ้าผู้ชายก็ต้องเห็นผู้หญิงที่น่ารักเนี่ย แ, แล้วข้ามด้วยตันข้ามตันหาได้อะ ถ้าผู้หญิงก็เห็นชายหนุ่มรูปงามที่เรียกว่าเป็นชายในฝันอะไรย่างเ้ยเห็นแล้วไม่มีตัณหาอยู่เลยนะลักษณะนั้นนะไม่ใช่ไปเห็นก็งอ่งก็แง่งพี่กงพิการตุ่มเต็มตัวไปหมดบอกกับเอตระยะสุดท้ายอย่างงี้โอ้อย่างเงี้ตัณหาไม่สนใจหรอกนะต้องเอาเรื่อเอาบุคคลในฝันที่เรียกว่าฝันอย่างนี้มันนอนแล้วนะนะอืมที่เรียกว่าสภาวะที่หน้าพอใจจริงๆนะนะต้องผมขนเล็บฟันหนังที่สวยเสด็จจริงๆเลยแหละอย่างเงี้ยแล้ว ต้องข้ามตันหาในสิ่งนี้นะก็เนี่ยนะบทอันนั้นนะเป็นยังไงคิดยังไงจึงจะได้บทอันนั้นขึ้นนะนะ